บุคคลจะเปลี่ยนนิสัยและความเชื่อได้หรือไม่และเพียงไรหลังจะตายไปแล้วมีผู้เคยให้ข้อสังเกตกันอยู่เหมือนกันว่าเกตุจาไหนบุคคลบางคนเมื่อตายไปแล้วจึงมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้เป็นอันมากแทบไม่น่าเชื่อซึ่งถ้าหากม่ได้มีการพิสูจน์อย่างละเอียดละออด้วยวิธีการต่างๆมาแต่เดิมแล้วก็แทบจะเชื่อไม่ได้ทีเดียวว่า ผู้ที่กลับมาติดต่อกับโลกมนุษย์บางคนนั้นแท้จริงก็เป็นคนเดิมที่เราเคยรู้จักกันมานั่นเองความจริงข้อนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอตอบโดยจะให้ข้อสังเกตไว้ประการหนึ่งว่าโดยมากเวลาอยู่ในโลกมนุษย์นั้นบุคคลไม่ค่อยจะได้แสดงนิสัยหรือท่าแท้ของเขาออกมาเท่าใดนักคือประพฤติไปตามประเพณีหรือสังคมโดยมากทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่อาจชอบหรือเลื่อมใสแต่อย่างใด โดยในย่านี้เราจึงรู้จักบุคคลแต่เพียงหน้าฉากเท่านั้นส่วนที่อยู่หลังฉากซึ่งอาจจะดีกว่าหรือเลวกว่าหน้าฉากก็ได้นั้นเราไม่ค่อยได้รู้ได้เห็นกันในสมัยก่อนมนุษย์ในโลกมีรสนิยมนิสัยและความประพฤติง่ายๆกว่าในปัจจุบันนี้มากดังนั้นเขาจึงกล้าพูดจาแสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างเปิดเผย คือไม่ต้องมีอะไรเคลือบแฝงกันหลายชั้นหลายเชิงเหมือนกับในสมัยนี้เว้นไว้แต่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเหตุก่อให้เกิดเรื่องรุนแรงหรือเป็นเรื่องศาสนาหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโดยทั่วไปก็อาจจะกล่าวได้ว่าบุคคลในสมัยก่อนมีความเป็นกันเองและเอื้ออารีต่อกันมากกว่าในสมัยนี้แต่ในสมัยปัจจุบันซึ่งเราถือกันว่าเป็นสมัยที่มีความเจริญหรือสิวิไลามากกว่าแต่ก่อนนั้น สภาวาในสังคมของเรามีความยุ่งเหยิงและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมและในเวลาเดียวกันก็เป็นธรรมชาติน้อยลงกว่าเดิมคือมีการสวมหน้ากากหรือตกแต่งอาการกิริยาและวาจากันมากขึ้นเพื่อความสุภาพเป็นต้นบุคคลสมัยนี้มีความไว้ใจกันน้อยกว่าในสมัยก่อนและแสดงความจริงใจของตนแสดงออกน้อยลงกว่าแต่ก่อนดังนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะกล่าวได้ว่า บุคคลนั้นๆมีอุปนิสัยที่แท้จริงเป็นอย่างไรและมีธาตุแท้แห่งจิตใจของเขาดีเลวหรือตื้นลึกเพียงไรเพราะโดยมากต่างก็ซ่อนความรู้สึกไว้ในใจเพื่อจะได้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกันซึ่งหมดโลกมนุษย์เองก็ก้าวหน้าไปมีใชยน้อยในทางวิทยาการซึ่งกระทำให้ชีวิตในสังคมมนุษย์ซับซ้อนยุ่งเหยิงหนักขึ้นอีก จังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปโดยรวดเร็วแทบตามไม่ทันทำให้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้พลังงานที่สมัยก่อนต้องใช้เวลานับเป็นจำนวนหลายวันกว่าจะใช้หมดนั้นสมัยนี้ก็ถูกนำมาอัดรวมกันเข้าและใช้หมดในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองผลที่เกิดตามมาอีกประการหนึ่งก็คือจิตใจของมนุษย์สมัยนี้เริ่มอ่อนแอลงทุกที และเป็นาธาตุของอารมณ์มากขึ้นเป็นเงาตามตัวความคับแค้นของการครองชีพทําให้เกิดความกดดันที่ทําให้บุคคลไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้เท่าที่ควรบางครั้งก็เกิดความหงุดหงิดมองเห็นโลกและสิ่งต่างๆในแง่ร้ายไปเสีหมดบางครั้งก็เกิดความหยิ่งทนงหลงตนเองคือคิดว่าตนเองเป็นผู้รู้ความจรงิงถูกต้องเพียงคนเดียวหรือฝ่ายเดียวส่วนผู้อื่นที่ไม่คิดหรือไม่ทําอย่างเรา ก็ถือว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนบางครั้งเราหาเรื่องยอะเย้ยถากทางผู้อื่นเพียงเพื่อระบายความรู้สึกอัดอั้นในใจออกมาเท่า น, นั้นเองคือไม่ใช่เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความเสียหายร้ายแรงอะไรหรือเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรบางอย่างไม่ถูกใจเราซึ่งเราก็กลายเป็นคนใจแคบไปโดยไม่รู้สึกตัวบางครั้งเราก็ต้องวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพของร่างกายจนเกินไป เพราะยึดถือและบูชาร่างกายเหนือกว่าจิตใจบางครั้งเราก็ทำงานมากเกินไปหรือไม่ก็ทำงานน้อยเกินไปซึ่งก็เป็นเรื่องทําให้เกิดความพิการแห่งอารมณ์ได้ทั้งสองกรณีบางครั้งเราก็สนุกสนานกันไม่รู้จักหยุดจักย่อนคือเป็นคนเจ้าสารานงานการไม่ยอมทาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ แต่บางครั้งบางรายก็เกรงเรียดกันเสีย จ, จนไม่มีความสำราญอะไรกันเสียเลยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้และสาเหตุอื่นๆอีกร้อยแ0ันประการได้ทำให้บุคคลในสมัยปัจจุบันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเขาถูกสภาวะแวดล้อมผลักไสบ้างบีบคั้นบ้างกดดันบ้างทำให้แสดงอะไรๆ อ, ออกมาหลายอย่างซึ่งไม่ใช่ทาแท้ของเขาสิเป็นส่วนมากและซึ่งโดยน้ําสใจจริงแล้ว เขาก็ไม่ต้องการจะทําเช่นนั้นเลยแต่เป็นเรื่องของความจำเป็นของสังคมของระเบียบประเพณีบังคับให้เป็นไปนั่นเองนี่แหละคือสภาพของสังคมมนุษย์สมัยปัจจุบันซึ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นจํานวนมากเหลือเกินต่อจากนี้ข้าพเจ้าขอนำท่านข้ามาศึกษาสภาพการของสังคมในโลกทิพย์ดูบ้างเพื่อจะได้เห็นข้อแตกต่างกันโดยชัดเจน ท่านคงจะได้ทราบความจริงบางประการเกี่ยวกับสังคมของชาวโลกทิพย์มาบ้างพอสมควรแล้วในทันทีที่ท่านย่างเข้ามาสู่ภูมินี้ก็เป็นอันว่าท่านเดละทิ้งความยากลำบากและยุ่งเหยิงของโลกมนุษย์ไว้เบื้องหลังโดยสิ้นเชิงเรื่องสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เรื่องร่างกายที่เป็นรังแห่งโรคนานาชนิดนั้นก็เป็นอันหมดกันทีเรื่องกระหืดกระหอบทํางานแข่งกับเวลาเพื่อหาเลี้ยงกายเนื้อไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นก็เลิกคิดได้แล้ว เรื่องอากาศที่ผันแปรไปอยู่เสมอเอาแน่ไม่ได้ในโลกมนุษย์ประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวหนาวนั้นก็หมดความหมายไปอีกเรื่องหนึ่งเพียงเท่านี้ก่อนและโดยยังไม่ต้องพูดถึงข้อได้เปรียบอย่างอื่นอีกน า, นานาประการนั้นท่านก็จะเห็นได้แล้วว่าสามารถทำให้หัวใจของท่านพองโตด้วยความสุขอันท่วมท้นเพียงใด ในโลกทิปนี้เราจะปิดบังหรือสวมหน้ากากกันไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราจะเปิดเผยลักษณะประจำตัวหรือธาตุแท้ของเราอย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นผู้อื่นและผู้อื่นก็จะเห็นเราตามความเป็นจริงทุกประการเราสามารถจะแสดงความคิดหรือออกความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่า ต, ตุนอย่างใดเลยเรารู้จักเห็นอกเห็นใจและมีใจกว้างต่อผู้อื่น เพราะเราเห็นได้ชัดว่าผู้อื่นทั้งหลายก็ล้วนแต่เห็นอกเห็นใจและมีใจกว้างต่อเราทุกคนเราทั้งหลายนับจำนวนล้านๆอยู่ด้วยกันเป็นสังคมของผู้ที่มีความสุขโดยเป็นกันเองกับทุกๆคนเราเคารพและได้รับความเคารพจากทุกๆคนไม่มีใครเบียดเบียนกันให้ลาบากหรือทำให้ผู้อื่นต้องอดทนและได้รับทุกเพราะการกระทาของตนเลย ความสวยสดงดงามของภูมินี้ทำให้เป็นเหมือนยาทิพย์ชโลมใจของทุกคนให้ได้รับความสดชื่นและการกระทำการพูดการคิดแต่ในทางที่ดีตลอดไปสิ่งที่ไม่ดีต่างๆของบุคคลอาจจะมีหลงเหลือตกค้างมาจากโลกมนุษย์อยู่บ้างก็จะถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอันผลิตแต่สิ่งที่ดีๆออกมานี้ขับไล่ให้หมดไปได้โดยง่ายดังนั้น อัธยาศัยที่ไม่ดีไม่งามบางประการที่เราได้เคยแสดงออกในโลกมนุษย์เพราะถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมบังคับให้เป็นไปนั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่อีกต่อไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมิใช่ธาตุแท้ของเราเองข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าบุคคลหลังจากที่ตายแล้วจะมีอุปนณิสัยเป็นเช่นเดียวกับที่เขามีอยู่ก่อนตายนั่นเองข้อความนี้ อันที่จริงไม่ได้ค้านกันกับข้อเท็จจริงที่ได้บรรยายมาแล้วแต่อย่างใดในเมื่อเราคํานึงถึงคุณสมบัติหรืออุปนิสัยอันแท้จริงของบุคคลเป็นหลักไม่ใช่ดูแต่เฉพาะส่วนอันเป็นผิวเผินที่เขาแสดงออกมาในสังคมเพื่อให้ผู้อื่นเห็นอย่างเดียวด้วยเหตุนี้เองในบางครั้งเวลาที่บุคคลนั้นๆกลับมาติดต่อกับบุคคลในโลกมนุษย์อีกก็มักจะแสดงนิสยัยหรืออาการบางอย่างทําให้เพื่อนหรือญาติที่เป็นมนุษย์ เห็นว่าผิดแทกไปจากเดิมมากซึ่งงานที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเปลี่ยนท่าแท้ของเขาไปเสีเลยแต่หากว่าความกดดันซึ่งทําให้เขาไม่อาจแสดงท่าแท้ของเขาออกมาได้นั้นได้หมดไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่นั่นแหละคือตัวของเขาเองอย่างแท้จริง คำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่23สําำหรับย่อหน้าที่ผ่านมานั้นมีเรื่องที่จะต้องแยกออกพิจารณาอยู่สาหัวข้อคือหนึ่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในโลกทิพย์ตามหมายเหตุข้อนี้ได้กล่าวไว้ว่าคนที่ตายแล้วไปอยู่ในโลกทิพย์จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงแต่ก็เป็นความจริง เฉพาะในภูมิที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันอยู่และในภูมิอื่นๆ อ, อีกหลายภูมิแต่สำหรับในบางภูมิเป็นภูมิของคนที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอาปาปาติกะแล้วแต่ก็ยังลกความยึดถือในสภาพของกายมนุษย์ไม่ได้หรือพวกที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วและในภูมิตามอีกมากมายซึ่งคนที่มาเกิดในภูมินี้ล้วนแต่เป็นคนที่ได้ทำบาปมามาก สำหรับภูมิเหล่านี้ยังมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนข้าพเจ้าได้เคยพบตัวอย่างมาแล้วหลายรายที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วก็ยังไม่หายป่วยเมื่อรั้งก่อนเคยป่วยอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังป่วยอย่างนั้นหัวข้อนี้ก็เคยได้อธิบายมาแล้วขอให้ย้อนกลับไปดูในหมายเหตุข้อที่สี่อันที่จริงสำหรับคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น ถ้าหากเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของตัวเองดีโดยเฉพาะคือเข้าใจว่าชีวิตของตัวเองเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งแวดล้อมต่างๆในภูมิของตัวเองเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเป็นคนที่มีจิตใจแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอสำหรับโอปปปาติกาประเภทนี้เกือบจะพูดได้ว่าจะไม่มีวันเจ็บป่วยเลยและถ้าหากจะป่วยก็เนื่องมาจากวิบาของกรรมกำลังจะให้ผล ในทางที่จะทำให้ตนเองต้องจุติคือเคลื่อนจากภูมินั้นและเนื่องจากบางคนมีอายุอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานานนับเป็นพันพันปีหมื่นปีหรือแสนปีในเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์พวกนี้จึงได้รู้สึกว่าตัวเขาเองไม่มีความเจ็บป่วยเลยการอ่านหนังสือโลกทิพย์จะต้องเข้าใจขอบเขตของความหมายที่ท่านกล่าวไว้ อย่ายึดถือเป็นกฎตายตัวตามตัวหนังสือมีฉะนั้นแล้วก็จะเกิดความสับสนจึงกระทั่งทำให้เกิดความเห็นผิดๆว่าเรื่องราวต่างๆในหนังสือโลกทิพนี้ไม่เป็นความจริงข้อที่สองเรื่องการกระหืดกระหอบทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหาเลี้ยงกายเนื้อไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นก็เลิกคิดได้แล้ว ข้อนี้ก็เหมือนกันคนเราจะต้องเข้าใจว่านี่เป็นการพูดเฉพาะแต่ในสุขติภูมิแท้ที่จริงแล้วในภูมิอื่นๆซึ่งเป็นภูมิที่ต่ำคนในภูมิเหล่านี้ไม่ได้ทำมาหากินก็จริงแต่ก็มีความหิวโหวยมีความลำบากมีความทรมานมากมายเช่นอย่างพวกเปรดซึ่งต้องคอยรับส่วนบุญที่คนอื่นอุทิศให้พวกเหล่านี้ไม่ผิดอะไรกับพวกคนจนบางประเภทในโลกมนุษย์ ซึ่งแม้แต่ที่จะทำมาหากินก็ไม่มีมีนํำซ้ำตัวเองก็อดอยากอยู่เสมอนานๆจึงจะมีท่านผู้ใจบุญนำเอาเสื้อผ้าอาหารมาแจากจ่ายให้คนยากจนคนกำพร้าคนอนาถาและคนพิการต่างๆในโลกของโอปปาติกะนั้นมีมากมายยิ่งกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่าและเป็นบุคคลที่น่าสงสารน่าสังเวชยิ่งกว่าพวกยากจนในโลกมนุษย์นี้มากมาย ท่านลองคิดดูก็ได้คนจนในโลกมนุษย์นั้นถึงแม้หากว่าตัวเองจะยากจนไปจนตลอดชีวิตแต่เวลาที่จะทรมานอยู่ในโลกมนุษย์มีไม่นานเท่าไรอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีแต่พวกที่ทรมานอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นบางคนนับเป็นร้อยร้อยปีพันปีหมื่นปีหรือมากกว่านี้ก็มีในเมื่อนับตามเวลาในโลกมนุษย์อนหนึ่ง ความยากจนของพวกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพของเศรษฐตกิจตกต่ำดังเช่นในโลกมนุษย์แต่หากเกิดจากความตกต่ำแห่งจิตใจของเขาเองเช่นคนที่มีสันดานเห็นแก่ตัวคิดแต่จะได้ไม่คิดที่จะให้ใครและคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นและยังมีใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและความโลภบุคคลประเภทนี้แม้ว่าในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์จะเป็นคนร่ำรวยสักเพียงไรก็ตาม แต่เมื่อตายแล้วจะต้องไปเป็นคนจนอยู่ในโลกของโอปปปาติกะเขาจะจนอยู่อย่างนั้นนานแสนนานตราบเท่าที่สภาพแห่งจิตใจของเขายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหตุการณ์ในลักษณะ น, นี้เห็นได้ชัดมากในโลกของโอปปปาติกะพวกที่อยู่ในภูมินี้ซึ่งมีจำนวนมากมายมาจากคนทุกชาติทุกเผ่าในโลกมนุษย์มาจากคนทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงในโลกมนุษย์ ความต่ำแห่งจิตใจของคนเหล่านี้จึงดึงดูดให้พวกเหล่านี้ต้องมาอยู่ในภูมิเดียวกันอันที่จริงถึงแม้ในโลกมนุษย์เองการที่คนจนมีมากก็เนื่องมาจากสาเหตุอย่างเดียวกันกับในโลกของโอปปาติกะแต่คนในโลกมนุษย์ส่วนมากจะคิดแต่ในแง่หลักเศ ร, รษฐศาสตร์ซึ่งสามารถจะอธิบายให้กว้างขวางและมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อ และเป็นหลักเกณฑ์ที่เมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้ผลสมจริงด้วยแต่ถึงกระนั้นก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือบรรดาบุคคลที่ฉลาดทั้งหลายในโลกมนุษย์ได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องความยากจนกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วคนที่ได้รับก็น่าชื่นใจจริงๆแต่มันก็เป็นการประหลาดตรงที่ว่าทั้งๆที่ได้พยายามแก้กันมาด้วยวิธีต่างๆและได้แก้กันมานานแล้ว แต่ผลที่ปรากฏก็คือแม้ว่าคนเดี๋ยวนี้จะมีรายได้ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแต่แล้วคนส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดในโลกก็ยังตกอยู่ในภาวะแร้นแค้นมีไม่พอกินไม่พอใช้ทั้งนี้ก็เพราะบรรดาผู้ฉลาดทั้งหลายไม่ได้เข้าใจถึงต้นต่อเห็นความจริงของความยากจนและไม่ได้คิดแก้ไขที่ต้นต่อกันเลย สภาพของคนยากจนและสภาพของคนที่อยู่ดีกินดีในโลกทิพนั้นทำให้มองเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงของความยากจนและความมั่งมีได้ง่ายมากและสาเหตุที่ทำให้คนในโลกทิพเกิดความยากจนก็คือสาเหตุอันเดียวกันกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองแต่มนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นหรือไม่ก็มองข้ามไป ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นมานานแล้วว่าถ้าพยายามเผยพแพร่หลักพระพุทธศา ส, สนาให้คนทั่วไปเข้าใจความจริงเกี่ยวกับตัวเองจนกระทั่งคนทั้งหลายเกิดความเมตตาปราณีต่อคนอื่นอย่างแท้จริงแล้วการแก้ไขปรับปรุงเศรษฐกิจต่างๆที่จะทำให้โลกมนุษย์พ้นจากความยากจนก็จะประสบความสาเร็จแต่ก็เป็นการยากมากสาหรับในยุค ป, ปัจจุบัน เพราะพวกที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัยทุกวันนี้ส่วนมากเป็นพวกที่มาจากโอกปปาติกาในภูมิตาม่าและเป็นพวกที่กลับใจได้ยากข้อที่สมจากประโยคที่ว่าเรื่องอากาศที่พันแปรอยู่เสมอเอาแน่ไม่ได้อย่างในโลกมนุษย์นั้นก็หมดความหมายไปอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับเรื่องดินฟ้าอากาศที่กล่าวไว้นี้ก็เหมือนกันคือเป็นเพียงความจริงของบางภูมิเท่านั้นเพราะในภูมิอื่นที่สภาพของดินฟ้าอากาศแปรปรวนประเดี๋ยวหนาประเดี๋ยวร้อนและบางทีก็ร้อนมากบางทีก็หนาวมากอย่างชนิดที่รุนแรงกว่าในโลกหลายเท่านั้นก็มีเหมือนกัน าเหตุข้อที่24ในโลกทลิปนี้เราจะปิดบังหรือสวมหน้ากากกันไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราจะเปิดเผยลักษณะประจำตัวหรือธาตุแท้ของเราอย่างสิ้นเชิงจากประโยคข้างต้นที่กล่าวมานั้นข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วว่าสภาพของร่างกายก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีในโลกของโอปปาติกานั้นล้วนแต่เกิดมาจากวิบากของกรรมทั้งสิ้นซึ่งในเมื่อพูดอีกในหนึ่งก็คือ เกิดมาจากสันดานแท้ของเขาอิทธิพลของกรรมพันธุ์และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคมไม่มีสำหรับบุคคลในโลกทิพย์ฉะนั้นในโลกทิพย์ใครมีสันดานอย่างไรสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นไปตามสันดานนั้นๆอย่างตรงไปตรงมาหรือยังมองเห็นได้ง่ายแต่ทั้งนี้ก็ได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าบุคคลในโลกทิพย์ก็เหมือนกับบุคคลในโลกมนุษย์ คือทั้งที่ตนเองเกิดมายากจนได้รับความทุกข์ยากลำบากต่างๆแต่ก็น้อยคนนักที่จะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงแห่งความทุกข์ของตนเพราะฉะนั้นโปรดจะได้เข้าใจผิดว่าแม้บุคคลในโลกทิพย์จะไม่มีการสวมหน้ากากก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในโลกทิพย์จะเข้าใจเรื่องความเป็นไปของแต่ละบุคคลรวมทั้งตัวเองด้วยเป็นอย่างดี ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันที่ท่านกล่าวไว้เช่นนี้ท่านพูดถึงบุคคลในภูมิของท่านซึ่งเป็นภูมิของคนใจบุญบุคคลในภูมินี้จะรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของตัวเองและของคนอื่นๆได้ง่ายเหมือนกับคนที่ฉลาดในโลกมนุษย์ยอมจะเข้าใจเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นได้ดีฉะนั้นอีกแง่หนึ่งที่ท่านพูดว่าความสวยสดงดงามของภูมินี้ จะทำให้ทุกคนพูดทำและคิดแต่ในสิ่งที่ดีนั้นหมายความว่าบุคคลแ ด, ดโดนิสัยหรือสันดานเป็นคนดีแต่ในบางครั้งในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้นอาจจะพูดหรือทำหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นอย่างผัวเมียบางคู่ท่านที่รักกันมากลักษางก็เป็นคนดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ครั้นแล้วในบางครั้งในเมื่อถูกความยากจนบีบคั้นมากๆเข้าก็อาจจะทะเลาะ ก, กันหรือไม่ก็หันไปในทางชั่ว เฉพาะบุคคลประเภทนี้เท่านั้นซึ่งในเมื่อไปเกิดในโลกทิพย์แล้วเหตุการณ์ร้ายๆที่ว่านั้นจะไม่มีเลยส่วนบุคคลที่มีสันดานต่ำจริงๆนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและโดยปกติบุคคลที่มีสันดานตา่ำก็ย่อมจะไปเกิดในภูมิที่สวยสดงดงามดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อยู่แล้ว บุคคลหลังจาที่ตายแล้วจะมีอุปนิสัยเป็นเช่นเดียวกับที่เขามีอยู่ก่อนตายนั่นเองจากประโยชน์ที่กล่าวมานั้นตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถืออย่างเดียวกันกับในหนังสือโลกทิพนี้คือทุกคนเมื่อตายแล้วรูปร่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อุปนิสัยจะคงอยู่ในรูปเดิมทั้งนี้ก็เพราะอุปนิสัยใจคอต่างๆรวมทั้งความรู้ความสามารถสิ่งเหล่านี้ทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นเจตสิก ค, คือเป็นคุณสมบัติของวิญญาณเป็นสิ่งที่จะติดตามวิญญาณไปทุกแห่งแต่หลังจะตายแล้วอุปนิสัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้ในเมื่อได้ไปรับการศึกษาอบรมในโลกทิพย์ซึ่งบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมได้มากแต่ส่วนมากโดยเฉพาะคือผู้ที่อยู่ในภูมิตม่ําอุปนิสัยจะคงอยู่ในรูปเดิมจนตลอดชีวิตถ้าอุปนิสัยนั้น จะเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นหรือเ็วลงก็ตามมันหมายถึงการจุดติซึ่งอยู่ในหลักที่ว่าคนเราจะจุดติด้วยเหตุสี่อย่างและอย่างหนึ่งก็คือการสิ้นกรรมการที่มีสิ่งแวดล้อมในโลกทิพย์ยอมจะทำให้คนในโลกทิพย์ได้แสดงอุปนิสัยที่แท้จริงออกมาทำให้สวมหน้ากากไม่ได้อันนี้ก็ได้เคยอธิบายมาแล้ว กล่าวคือสิ่งแวดล้อมในโลกทิพก็เกิดจากวิบากของกรรมคนเราเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็สุดแล้วแต่วิบากของกรรมหลักในอภิธรรมได้กล่าวไว้ว่าวิญญาณทั้งห้าคือการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอเฮตุกะวิปากจิตซึ่งหมายความว่า การที่คนเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีจะได้ยินเสียงที่ดีหรือไม่ดีทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมหลักข้อนี้ในโลกมนุษย์ก็เป็นความจริงแต่เห็นได้ยากเพราะเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ซับซ้อนมากและใช้เวลานานกว่าวิบากจะให้ผลออกมาชัดเจนส่วนในโลกของโอปปาติกะวิบากให้ผลด้วยจับพลันเพราะฉะนั้น หลักอภิธรรมดันที่ได้กล่าวมานั้นจึงเห็นความจริงได้ง่าย